การสายฟ้าเขาขอสิบคนว่ามาเหมือนหนึ่งาสายฟ้าออ่ะยู่ไหนอยู่ไหมมาส่งไปไปไหนส่งไปหรวงว่อาอยู่วัดเหรอไม่ทราว่าปัจจุบัติใช้ได้ยังโจ้าคะได้สี่ คือภาวนาอย่าใจร้อนนะทำไปเรื่อยๆหลวงปู่เทศเคยสอนว่าการปฏิบัติธรรมนะเราปฏิบัติกันทั่งชีวิตอย่ารีบร้อน <c oughs> แต่ว่าถ้าเราทำได้ถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วเราจะเห็นพัฒนาการของเราเองเวลาที่เราตรวจสอบพัฒนาการทางจิตใจเนี่ยอย่าดูรายวันเพราะแต่ละวันนะแปลงขึ้นแปลงลงต้องดูรายไตรมาสแบบสภพัฒนะ ใจไปมากเนี่ยจะทําให้เราเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนของการปฏิบัติมันจะมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวเราเองรู้สึกได้ยังไม่เคยเกิดสติเลยหลงทั้งวันก็เริ่มรู้สึกตัวเป็นหลงสั้นลงสั้นลงแล้วรู้สึกตัวเร็วขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาไววแบบับดับไปแล้วแค่รู้สึกมันจะเปลี่ยนความสุกในจิตในใจก็มากขึ้นมากขึ้นตามลําดับรู้สึกได้นะรู้สึกได้ ไม่ใช่ภาวนาหลับหูหลับตาเชื่อเชื่อไปไม่ใช่แต่ห้ามดูรายวันดูรายวันไม่ได้เพราะว่าในวันเดียวกันเนี้ยเช้าสายปลายเย็นไม่เหมือนกันบางทีเช้าคุ้งซ้านสายสายเจอเพื่อนสบายใจเนี่ยตอนเที่ยงไปกินเลี้ยงเผลอไปลไปะปลายปลาทํางานแล้วง่วงขี้เกียจอะไรเงี้ยเย็นเย็นดีใจอีกแล้วจะไปเที่ยวอะไรดูอย่างเนี้ยจะดูไม่ออกว่าจเจริญหรือเสื่อมต้องดูเป็นไตรมาสนะ ถ้าดูแล้วเราจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนของคุณอะ่ะมันก็เริ่มที่จะรู้สึกตัวะแต่ความรู้สึกตัวยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตอกยังเกลือด้วยความคิดนิดหน่อยให้ฝึกนะอย่าท้อใจนะสลวงพ่อไม่ค่อยชอบให้ถามเลยบอกว่าพี่ตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้นะตอบได้ไม่ใช่ตอบไม่ได้นะแต่ว่าบางคนพอได้ยินคําตอบแล้วขอไปเลยมันจะดีจับทันไม่ได้หรอกนะต้องใจถึงนะรู้สึกไหมสามวันวัน น, น, นี้กับวันแรกที่มายังไม่เหมือนกันเลย ในวันแรกไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้สึกไหมไม่รู้ทิศทางเลยวันนี้เริ่มรู้แล้วว่าจะไปทางไหนเราต้องรู้ว่าเอเราจะมารู้กายเราจะมารู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่เป็นกลางรู้ลงปัจจุบันเนี่ยคีวิตเหล่านี้เราจะเริ่มรู้จักกันต่อไปก็คือเราจะเผลอแล้วเราก็รู้สึกเผลอแล้วรู้สึกไอเพ่งแล้วก็รู้สึกหันรู้สึกบ่อยๆจนปัญญามันเกิดว่าทุกอย่างชั่วคราวไม่ถอยเนี่ยนะต้องต้องได้แล้วบ้างแหละ ไม่ได้ยากอะไรดอก <c oughs> ครับแค่หนึ่งนะครับนิ่งเกินไปอ่ะรู้สึกไหม ย, ยังกดอยู่นะอ้าวเชิญครับที่ผมรู้สึกอยู่นี้ถูกไหมได้ไได้ครับพอแล้วหลวงพ่อนะสอบด้วยควาเพ่งใจนะ <c oughs> <c oughs> คือภาวนาแล้วมันดีทั้งนั้นแหละ นะแต่ของของคุณใช้ได้แล้วนะใจมันค่อยตื่นแล้วล่ะเบอร์สองดีเบอร์หนึ่งยังกดมากไปนิดนึงนะเบอร์สองไหนโปรให้ดูหน่อยดิถูก ข, ขาบังมิดเลยถ้า <c oughs> เบอร์สามเฉเบอร์สองรู้สึกไหมตื่นเต้นเขินสมาให้รู้ลงนะก็วันนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> มีความรู้สึกว่าดีกว่าเมื่อวานนะครับออตอนเช้าตื่นตื่นประมาณตีสองนะครับช่วงที่ตื่นขึ้นมาจะมีอาการที่ว่ารับรู้สึกมากขึ้นนะครับแ ต, แต่ตอนที่ตื่นขึ้นมาไม่ได้ลุกขึ้นนั่งน ะ, นะครับก็ก็นอนนอนดูอาการไปเรื่อยๆนะครับ มีมีลูกอะไรไม่รู้โดนออกมาโดนหลังคาดังตุ๊บเลยนะครับอจังหวะ น, นั้นอก็เหมือนกับว่าใจมันห ล, หล่นหงบลงไปตโตกใจวูบ ล, ลงไปนะครับสักพักหนึ่งก็งมีอาการรู้สึกคล้ายว่าจิตมันวิ่งออกไปไปไปรับลูกที่มันหล่นลงทิศนี้ น, นะครับดังตุ๊บเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ก็มีอาการอย่างนี้ครับให้รู้ทุกสิ่งที่ปรากฏนะรู้ทุกสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในจิตในใจเรารู้เท่าที่รู้ได้ รู้แล้วไม่แทรกแสงแเราจะเพื่อรู้เพื่อจะได้เห็นความจริงว่าเขาทํางานตลอดเวลาเขาไม่เคยอยู่นิ่งเลยเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาทํางานได้เองดูเพื่อให้เกิดปัญญาตรงนี้เราภาวนาแทบเป็นแทบตายไม่ใช่เพื่อให้เกิดอะไรนะไม่ใช่เพื่อเอาอะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจอย่างจิตใจเราเนี่วิ่งไปวิ่งมาได้เดี๋ยวดีได้เดี๋ยวร้ายได้ตกใจขึ้นมาหล่นรูปได้มีหลายแบบเวลาซาขึ้นมาแล้วก็คลองได้ เราดูไปเรื่อยจนเราเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานเองถ้าเห็นตรงนี้นะจะได้โสดาบันเมืม่อวานนี้ตอนที่ อ, อนั่งฟังพระอาจารย์นะครับเหมือนกับว่านั่งเริ่มตาอยู่นะครับคล <c oughs> ้ายๆกับว่าตัวเองเ อ, อ, อาการพวกไปนะครับก็ยังยังยั ง, ย, งยังรู้สึกตัว <c oughs> เออไม่ทราบว่ า, าการนี้ต้อง ปกติวูบอยู่ตลอดเวลาไม่เป็ระยะระยะเป็นครั้งเดียวครับออกเครื่งเดีย ว, ยวที่จริงมันวูบตลอดเวลาออกครั บ, รบเวลาที่จิตขึ้นรับอารมณ์นะพอจะตัดกระแสเปลี่ยนอารมณ์ใหม่จะลงวูบลงไปจริงแล้วก็เกิดจิตลงใหม่ขึ้นมาอีกเห็นอย่างนี้นก็ใช้ได้ไม่เป็นไรปกตินะจริงๆแล้วจิตเกิดดับตลอดเลยหรือจิตขึ้นวิถีทีหนึ่งเวลาจบวิถีก็ลงผวังจะลงผวังแต่ลงสั้นๆแล้วขึ้นมารับอารมณ์ใหม่ อาจจะเปลี่ยนอารมณ์ไปทางทาวารอื่นคนละทาวารกับอันแรกก็ได้เอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าแสดงแต่ใจลักทั้งนั้นเลยดีลนะขอบคุณปัญหาในภาพรวมคุณคื อ, อยังติดการบังคับอยู่นะค่อยๆดูไป ค, ค่อยแกะให้หมดนะเบอร์หนึ่งอ่ะยังยังซึมไปนิดหนึ่งซึมเนี่ยก็เพราะว่าติดสมรรานั่นแหลนะเบอร์สองนะใจมันฟุ้งๆไปเรารู้มันนะ คนนี้ไม่ชอบทําสมาธิมันก็ฟุ้งง่ายถ้าทําสมาสามากมันก็ซึม ง, ง่ายทื่อๆนิ่งๆรวมความแล้วก็คือทําอะไรนั่ก็ผิดหมดเลยอบอรสี่เบอรสี่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะแต่รู้ว่าใจตอนนี้มันมีความสุกมากขึ้นเพราะเข้าใจอะไรที่ยังเคยสงสัยแล้วคิดว่าจะไปปฏิบัติค่ะตามที่หลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะทนท น, ทนทนทำอย่างที่หลวงพ่อบอก แล้วจะเข้าใจทั้งหมดเลยถ้าเมื่อใดเข้าใจจิตตนเองเลยจะเข้าใจทั้งหมดเลยครับจะขยันนะคะอย่าขยันเกินไปนะคขยันพอดีพอดีขยันตามจิตมันขึ้นมาแล้วค่อยรู้มันใช่ไหมหลวงพ่เรียกร้องแค่ไม่ขี้เกียจไม่เรียกร้องวาต้องขยันนะเบ <laughs> อร์ห้าเบคร์เบอร์ห้านีานด้ ด, ดีมาตั้งแต่วันแรกอยากให้หลวงพ่อ ท, ที่แน้ว่าแนวทางที่กับผมทำอยู่สามวันมาเนี้ว่ามันมันถูกถูกไหมถูกทาใ<ง> ห, <ยง S 1> ห้เรล่าียวค่อยๆลดการกระทำลงนะลดการที่จะปรุงแต่งอะไรลงแล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้เล่นๆไปเรื่อยทำเล่นๆนะมันจะมีความจงใจที่แรงเกินจริงอยู่นิดนึงค ร, รู้สึกไหมมันจะนิ่งๆอยู่นิดนึงคมันสว่างนะมันรู้เนื้อรู้ตัวรู้ชัดแต่ว่ามันยังเกินจริง มันนิ่งๆเกินจริงนิดหนึ่งให้ดูเ่าแล้วผ่านผ่านมาที่สามวันนี้ผมเองก็พอพอจะรู้รู้รรสึกได้ว่ามันมันร่วงปรุงขึ้ น, นใช่ครับหลวงพ่อบอกแล้วนะไม่ดื้อนะสองสามวันก็รู้เรื่องนะแต่บางคนสมัยเรายัางหนุ่มกว่านี้เราก็นั่งเฉียงด้วยนะครึ่งวันค่อนวันเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วใครดื้อ ม, มากก็เออทําไปเถอะออน แ, แรกๆ ก, ก็เกิดเกิดความสง ส, มสยัยให้เพิ่ม เพิ่เป็นเป็นเป็นยังไงพยายามช้าให้เหตุผลนะอย่าไปหาับเหตุผลน่าโยนทริงไปแล้วพุทธเจ้บา บ, บอกอย่าเชื่อตรักกะไม่เชื่อเหตุผลไม่เอาเอาของจริงไม่เหตุผลนั้นเราคิดเองเท่านั้นแหละหลวงปู่มั่นถึงบอกไงธรรมะไปอยู่ในจิตปุถุชนกนะลายเป็นสัตรธรทำปฏิรูปเพราะมันเจือด้วยความคิดความเห็นนั่นเองแล้วความคิดความเห็นของปุถุชนเนี่ยยังไงก็ไม่บริสุทธิ์ยังไงก็มีตาทิฏฐิ เพราะนเราอย่าเอามีจ่าทิศมานำหน้าการปฏิบัติไม่ได้ผละเราอย่าไปเอาทิศมาใช้เราดูของจริงของจริงอย่างใจเราเนี่ยทํางานทั้งวันทั้งคืนดีดดิ้นไปมาบังคับไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยดูของจริงเป็นอย่างนี้จนกรทั้งวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงการที่ใจยอมรับความจริงแล้วแหละเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นธรรมดานั่นเองธรรมดาของกายเป็นอย่างนี้ธรรมดาของใจเป็นอย่างนี้ไม่ดิ้นรนที่จะให้มันเกินธรรมดาอีกต่อไปะ ง่ายนะง่ายจริงๆเลยไม่เห็นอะไรง่ายเท่าวิปัสนาเพราะไม่ต้องทำอะไรค่ะหนูก็จะหลงไปในความคิดอยู่ตลอดเงบ่อยแล้วก็พอตามรู้ว่าตัวเองหลงในสิ่งที่มากระทบก็กลับมาเพ่งอีกมันจะพา่าดีใช่ได้นะ มันก็สุดตรงสองข้างไปเรื่อยๆสุดตรงเดี๋ยวก็สุดตรงข้างหลงไปสุดตรงข้างเพ่งไว้หลงไปเราก็รู้ทันว่าหลงเพ่งอยู่ก็รู้ว่าเพ่งไม่ต้องอยากหายนะแต่ถ้ามันเพ่งค้างนานเป็นวันๆอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนอารมณ์ซะการเปลี่ยนอารมณ์ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นอุบายเป็นแทคนิ ก, กไม่ใช่หลักก็เปลี่ยนอารมณ์ไปให้กระทบอารมณ์เท่าจิตใจจะได้ขยับขยัขยนเคลื่อนไหวขึ้นมาอีกอย่าให้ค้างคาซึมๆนาน ถ้าใจเราไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวานะลอยไปพระพุทธเจ้าท่านเคยเทียบบอกจิตของเราเนี่ยที่สแสวงหาความหลุดพ้นเนี่ยนะเหมือนท่อนไม้ลอยอยู่ในแม่น้ำํำคงคาท่านไม่ยกว่าแม่น้ําเจ้าพิ ARIANT ท่านยกแม่น้ำํำคงคาบอกว่าท่านชี้ให้พระดูท่อนไม้ลอยน้ําท่านบอกไม้ท่อนเนี้ยนะ ถ้ามันลอยไปเรื่อยๆมันไม่ไปติดฝั่งซ้ายไม่ไปติดฝั่งขวาไม่ไปเกยตื้นไม่ไม่ติดเกาะอะไรเงี้ยนะไม่ไปถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกมันอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลี่ยน้ําบนไม่เน่าไหน่ไม่ผูกพังซะเองถึงวันหนึ่งมันจะไปสู่ทะเลจิตซึ่งมีสัมมาทิฏ่ิสิ่งที่พวกเราเรียนแต่หลวงพก็คือตัวสมาธิฏฐินั่นเองจิตซึ่งมีสมาธิฏฐิรู้ทิศทางว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรจะทําอย่างไร ระหว่างทำไม่หลงไม่เปลอจิตมันมีสัมมาทิฏฐิอยูอย่ระดับเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าสัมพัชัญญาู้ทิศทางรู้แนวทางจิตที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีแนวโน้มน้มน้มโน้มเอียงลาดลุ่มไปสู่นิพพานเหมือนท่อนไม้เนี่ยไหลาตามน้ำไปเรื่อยๆถ้าไม่ไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาเคยตื้นไม่ถูกมนุษย์อามนุษย์จับไว้ไม่เน่าในไม่ถูกน้ำวนดูดไป แม้ไม้ท่านนี้ต้องไปถึงทะเลจิตซึ่งมีสัมมาทิฏฐิจิตของเราเนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันอย่ไปเกย อ, อยู่ที่ไหนก็แล้วกันมันจะไหลไปสู่นิพพานเองจะไหลไปสู่มรรคผลนิพพานเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ต้องทําอะไรแต่อย่ามัวไปเกยตื้นอยู่ที่ไหนสซะคําว่าติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาก็คือเป็นหลงอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คูนะ่เช่นอายตะนะภายในภายนอกเนี่ยคู่หนึ่งตัวอย่างนะ ไปติดในความสุขหรือติดในความทุกข์ติดในความทุกข์ก็คือเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์อะไรเนี่ยใจก็ยังดิ้นอีกใช่ไหมเนี่ยติดสิ่งที่เป็นคู่คู่ติดความดีความเลวเจออะไรเร็วๆแล้วทนไม่ได้ทุรนทุรายอยากแต่ให้โลกนี้ดีสวยงามอย่างเดียวเนียจิตว่าวุ่นวายติดในสิ่งที่เป็นคู่คู่ไปเกยตื้นก็คือไปติดในผลประโยชน์ทั้งหลายถ้าเป็นพระเขาเรียกไปติดราบสักการะ ติดครอบครัวโน่นตระกูลนี้อย่งนี้ไปถูกมนุษย์จับไว้อันนี้อย่างพวกเราพุณสุเมศร์นี่ถูกมนุษย์จับไวนะ้ถูกมนุษย์เป็นร้อยๆเลยคุณสุเมศรก็ห่วงว่าหมายังหมายยังนะกลัวเขาไม่ดีนี่เรียกว่าถูกมนุษย์จับไว้ถูกอมนุษย์จับไว้เช่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากเด่นนะนี่ถูกอามนุษย์จับไว้นะหรือติดในอยาก ขึ้นสวรรค์นะเป็นเทวดาเป็นลมอะไรเนี่ยนี่เรียกว่าถูกอมนุษย์จับไว้การหลงราบสักการะอันนี้ก็ไปเกยตื้นไหมถูกอมนุษย์จับให้หลงชื่อเสียงเป็นอาจารย์กรรมฐานดังหลงอย่างนี้เสร็จเลยนะไปนิพพานไม่ได้ถูกน้ำบนก็คือหลงอยู่ในกามวันวันึงคิดแต่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความเพลิดเพลินทางใจนี่เรียกว่ากามทั้งหมดเลย ตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่ากรรมคุณทางใจเขาเรียกว่ากรร ม, มาธรรมเช่นเราคิดเพลิดเพลินไปในกรรมเนี่ยคิดเอาเองก็เป็นกรารมเหมือนกันบางคนก็ชอบคิดใช่ไหมฝันฝันแหมมีความสุขคิดไปอดีตแกหน่อยก็คิดอดีตใช่ไหมเด็กก็ฝันไปอนาคตเลยนี่ก็หลงหลงไปพวกเน่าในคือพวกทุศีนพวกไม่มีศีนห้าศีนห้าจำเป็นอย่าดูถูกเด็กขาดนะศีนห้าจำเป็นที่สุดเลย ขาดศีลห้าอย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยศีลห้าจำเป็นมากแต่ถ้าทำผิดศีลไปแล้วอยากอังวลตั้งใจระวังรักษาใหม่อย่าให้การทำบาปอกุศลที่ทำไปแล้วมากดทวงทำให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ได้เพราะเราถือว่าเราทำผิดศีลอะไรมางเงี้ยยังไงก็ไม่มากเท่าที่พระโอคุรีมานเคยทำใช่ไหมเราฆ่าคนไม่ได้พันคนหรอกทาไมท่านไปได้ งั้นถ้าเราผิดสิแล้วเราก็อย่าทำํำอีกอย่าให้กังวลใจเนี่ยถ้าจิตใจเราไม่ได้ติดในสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้นะเจ็ดประการไปน้ําเอาเองก็แล้วกันเจ็ด <c oughs> ประการนี้ถ้าเราไม่ติดนะแล้วเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้แล้วว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองด้วยจิตที่เป็นกลางรู้ลงปัจจุบนันรู้แล้วไม่ไปแทรกแซงรู้จนเห็นความจริงของเขาว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาเป็นอนัตตารู้จนไม่ยึดถืออะไร แต่ถ้าเรารู้มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะแล้วเราไม่ไปติดเจ็ดข้อนั้นนะยังไงก็นิุดผ่านนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราก็สำรวจตัวเองนะเราไปติดอะไรบ้างติดฟั่งซ้ายติดฟั่งขวาไหมไปเกยตื้นไหมไปเกยตื้นยกตัวอย่างบางคนภาวนาพวกที่ติดสมสถนะนั่นแหละพวกเกยตื้นวันวันหนึน่งก็ไปสร้างพบที่ละเอียดปริมีดว่างๆทาให้ดูก็ได้ แเราก็ไปอยู่ในความว่างมันอยู่คนละโลกกันเห็นไหมเสียงยังเปลี่ยนเลยอย่างนี้เกยตื้นกี่ปีกี่ชาติก็อยู่ตรงนี้แหละใช้ไม่ได้ไปดูเอาหน้าเราสํารวจตัวเองที่พวกเราได้จากหลวงพ่อกับได้จากพักพวกรุ่นพี่ต้องเรียกว่ารุ่นพี่นะเขาเป็นสื่อเฮียสือส่อเจ๊เห็นไหม ถึงเราอายุ59แล้วเด็กๆพวกนี้เขาก็ยังเป็นซื้อซื้อเฮียซื่อเจ๊เนะ <c oughs> มื่ออาศัยการได้ได้ฟังทำนะเรารู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรแล้วแล้วก็รู้ไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยอย่ไปเกยตื้นไปติ์อะไรอยู่ที่ไหนซะสํารวจตัวเองเป็นตยระย ะ, ะ, ยะการสํารวจตัวเองว่าไปติดไปคล้องอะไรในเจ็ดประการนั้นไหมก็เรียกว่าโยนิโสมนานสิกนะ สำรวตัวเองไปเรื่อยๆณสุดใจนี้ก็จะไหลไปถึงมหาสมุทรใจนี้แหละจะบรรลุพระนิพพานโดยตัวของตัวเองไม่ใช่เราไปเสือกใส่ไม้นี่ไปสู่มหาสมุทรนะมันไหลไปเองจิตนี้เหมือนกันถ้ามีสั ม, มาทิฏฐิแล้วไหลไปสู่นิพพานเองสิ่งที่เราทําขึ้นมาไม่ใช่ช่วยให้มันไปเร็วขึ้นสิ่งที่เราทำนะั่นก็คือไอ้เจ็ดอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเลิกสัก แล้วก็รู้กาอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปนเรื่อยๆหน้าเบอร์เจ็ดไม่ต้องอา่านที่ฐานเยอะหนะเบอร์หกอะมันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอโรนว่าพารู้อะไรปั๊บแล้วพวจะไปแทรกแสง อ, อเ่าก่งที่รู้ว่าแทรกแสงใช้ได้แล้วแล้วไปกดคมไว้เออเนี่ยใครสอนให้คนนี้เรียนกับใคร <laughs> คุณจูนคน่ะ ไหนจูนโอ้ดีดีอาจารย์ได้หน้าได้หน้าได้ตานะพวกเรากลับไปกรุงเทพแล้วมีปัญหาอะไรนะก็ถามพี่อาจารย์สุรวัตรเขาไม่ผ่าเราเข้าลูกเข้าพงเราถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแล้วนะแต่คําว่าถูกต้องของข้อที่หลวงพ่อบอกแม่ไม่ชอบเลยถามแบบเนี้ยพราอะไรรู้ไหมอย่างเราจะลงมหาสมุทรลงทะเลใช่ไหมก้าวลงไปฟุตเดียวมันก็ทะเลใช่ไหม สองพุตมันก็ทะเลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราว่าถูกวันนี้ยวันข้างหน้ามันไม่ถูกอีกแล้วมันถูกเหมือนกันมันถูกเป็นลําดับลําดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ลาดลุดเข้าไปนะเหมือนมหาสมุทรเหมือนทะเลลึกลงไปเรื่อยๆเป็นลําดับความรู้ความเข้าใจของเราก็จะลึกซึ้งเป็นลําดับไปแต่ก็ยังคือมันรู้สึกเพ่งจ้องอยู่ช่วยไม่ได้ก็ก็ู้ไป้จิตเขาเพ่งของเขาเองเขาเธอก็เออของคุณเบอรเจ็ดใช้ได้แล้วนะที่สอนนายอยู่ดีละ รู้สึกไหมกิเลสเยอะเห็นหรือย่างว่ากิเลสเยอะเยอะค่ะเห็นไหมนางมาร้ายอยู่ที่ไหนเจออยังเจอแล้วมาวันแรกคลวงพบอกนะภาวนากับหลวงพ่อนะภาวนาเป็นนะจะรู้เลยไอ้มาร้ายอยู่ที่ไหนกดค่มไว้ซะจนแบบไม่รู้ว่าคิดว่าความกโกรธมันหายไปแล้วะคะ่ะแล้วก็ก็ต้องขอบที่เลี้ยงอะคะ่ะทําให้เห็นแบบโอ้โหแบบกโกรธจนนท่นอะไรแตก็พยายามกดไว้ นั้นขู่ตั้งแต่วันแรกไงคะจะมากราบถวายพระจา้าถวายยาค่ะแล้วเขาก็กันก็ก็กดเออรอมาหลังถึงรู้ว่ากดเอาไว้ดี<ม>อ่าเบอร์แปดใช้ได้แล้วนะเอาไฟฟ้าอย่าขี้เกียจแค่นั้วกันพอทำเป็นแล้วอย่าขี้เกียจจาตัดวันประกันตุ้งนะดูไปเรื่อยๆเราจะไปประท้วงแป่รูปประท้ว ง, ง, งก็ไม่เป็นไรนะะแต่ว่าประท้วงไปดูใจไปนะอ่าเบอร์แปด ค่ะก็รู้สึกว่าใจมันสว่างแล้วก็เอาบางทีมันก็ตื่นเต้นอยู่ลึกๆทีนี้กายมันก็รู้สึกว่าบางทีก็สมองตึงๆนะคะแล้วก็คลายๆบ้างตึงๆบ้างไม่ทราบว่าต้องเพิ่มหรือลดอะไรบ้างหรือเปล่าคะไม่เพิ่มไม่ลดไหนนะให้รู้อย่างที่เป็นรู้แล้วก็อยอมรับความจริงอย่าไปรักอะไรเกลียดนั้นใดรู้ไปเรื่อยๆกดแรงไปนิดเดียวแล้วก็เมื่อวานนี้ร <ๆ S 2> ู้สึกเห็นตัวเอง ามไม่ดีของตัวเองชัดเจนมากเลยเห็นไหมคุ้มค่านะรัฐวิสาหกิจที่ฉลาดเนี่ยส่งคนมาเรียนแล้วลูกน้องจะเห็นเลยเปลียงร้าย <laughs> ถ้าเห็นว่าทมไม่ดีของเรานะเรพัฒนาได้นะแล้วเพื่อให้เจ้าถึงชมไม่ดีรู้ว่าไม่ดีดีนะทั่นถือว่าดีอ้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าติดมาติดว่า รู้รู้รู้รู้ทันเสร็จแล้วก็อกลัวผิดค่ะรู้รู้รู้ทันแล้วก็เข้าใจเข้าใจในความรู้รู้ตัวนั้นแล้วก็เกิดความรู้ลังรู้สึกลังเลอืแล้วก็รู้ทับไปอีกว่าอย่างงี้ยค่ะวนไปหลุแล้วเขาจะมาเป็นระยะระยะเมื่อรู้สึกความลังเลเคลดีรู้ปไปเองเลเห็นไหมทุกอย่างชั่วคราว จริงอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมลังรีก็ชั่วคราวใช่ไหมกลัวก็ชั่วคราวอะไรอะไก็ชั่วคราวเนี่ยฝึกไปอย่นี้แล้วจะเห็นเลยทุกอย่างในกายในใจนี้ของชั่วคลาดนี่แหละเรียกว่าปัญญาละถึงจุดหนึ่งเจะปล่อยวางความยึดถือได้อะเบอร์สิบเบอร์สิบขอไว้สิบคนนี่ใช่ไหม กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะรู้ว่าวันนี้หมณนหมอใจเศร้าวันนี้เพราะว่าจะต้องจากครูบาอาจารย์ค่ะรีบไปซะก็เหมือนบัตินะต้องอยู่ในที่ไหนก็ได้ไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแดล้อมนะเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยรักครูบาอาจารย์เคารพที่สุดเลยนะอย่างท่านเดินนี่พื้นสกโศกเนี่ยเอาหัวไปให้ท่านเหยียบได้เลย ค่ะแต่ไม่ติดท่นะนะก็เหมือนกับว่าเมื่อคืนนี้เหมือนเสียงพระอาจารย์มาสอนทั้งคืนนะคะ<ม>จนกระทั่งดึกพอสงควรพระอาจารย์ก็บอกว่าไปแล้วนะ<ม>แล้วก็พอดีก็เลยนอนนะคะพ <c oughs> ี่ไพว่าน์มันก็ยังนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะ<ม>ก็เลยนอนแบบเจริญสติอ่ะค่ะ <c oughs> ปรากฏว่าช่วงที่กําลังนอนเจริญสติอ่ะค่ะ ที่มือมันก็เหมือนกับว่ามีดวงจิตให้เห็นแล้วก็ดับไปค่ะครั้งหนึ่งนะคะขณะหนึ่งแล้วก็ไปที่ที่น้องอะคะ่ะแล้วก็เห็นแล้วก็ดับไปค่ะสองครั้งนะคะ่ะสองขณะค่ะอาจารย์ของคุณนะในภาพรวมเลยต้องทำให้แบบมีความสุขน ะ, ะทําแบบผ่อนคลายอย่าจริงจังอย่าเครียด น, นะเป็นโรคเครียดง่าย แล้วเรา อ, อย่าไปเครียดเลยเป็ น, น <ะ S 2> คนเบื่อง่ายด้วยเบือ่อแ <นะ S 2> บบค่อนข้างหุดหงิดนะคะ ง, ง่ายนะคะดูลงไปเรื่อยๆไงไฟฟ้าไปเรียนมาหลายที่แล้วหลวงพ่อถึงบอกเนะไม่เหมือนหรอกนะแล้วเราจะพัฒนาตัวเราเองได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะเราเรียนอะไรเข้าไปแล้วไหมเราเรียนสภาวะเราหัดรู้สภาวะแล้วต่อไป น, นี้เราจะมีครูอยู่กับตัวแล้วหลวงพ่อไม่ใช่คนที่จะถ่ายทอดธรรมะให้เราได้นะ ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ถ่ายทอดกันได้ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ว่าตอนนี้หลวงพ่อหาครูให้พวกเราคือสติปัญญานั่นเองสติปัญญาจะเป็นเป็นครูของเรากำกับเราไปเรื่อยเรมีสติรู้กายรู้ใจมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจรู้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็จะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองกายกับใจเป็นครูของเรานสติปัญญาเป็นครูของเราบทเรียนกายกับใจเป็นตัวบทเรียน สีิปัญญาเป็นครูของเราแล้วละวันหนึ่งเราก็เข้าใจบทเรียนนี้ว่าเป็นไตรลักษณ์พอารู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเขาครายกำหนัดจึงหลุดพน้นเขาหลุดพน้นจึงรู้ว่าหลุดแล้วหลุดพ้นแล้วจิตที่ต้องทําทําเสร็จแล้วจิตอืนเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีนะชาติคือความเกิดยังไม่มีนะเรารู้ได้เลยเพราะอะไรชาติชาติคืออะไรคือการที่จิตเนี่ยเข้าไปเกาะไปเกี่ยวนะไปยึดไปถือเกิดเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนขึ้นมา ไปหยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมาชาติโดยสับนั้นมันแต่ว่าความเกิดคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นใจใจพูดง่ายๆก็คือได้กายได้ใจมาเนะพราะ อ, อะไรได้กายได้ใจมาเขาไปหยิบฉวยออกมานะวันใดที่ปัญญาแจ้งแล้วรู้ว่ากายใจนี้ตัวทุกร่วนๆจะไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาโดยไม่ต้องเชือเชื่ให้ทิ้งนะักทิ้งเองเลย เหมือนเราเดินเดินไปคว้าอะไรมาสักอย่างเราคิดว่าก้อนหินนี่หรือก้อนอะไรนี่นะหมายเป็นของดีของวิเศษหยิบขึ้นมาเปิดออกมาดูอ้าวเกินชี้หมาใช่ไหมไม่มีใครเก็บไว้ละสลัดทิ้งเลยเมื่อไหรเห็นแจ้งในกายในใจว่าเป็นทุกข์ล้วนๆนะจะสลัดทิ้งเองนี่มันจะเห็นแจ้งกายใจเป็นทุกข์ล้วนๆได้ก็ อ, อาศัยการมีสติรู้กายรู้ ใ, ใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีทางที่สองนะกล้าท้าเลยวนะ่าไม่มีทางที่สองแนละ้ แต่ถ้าบันไดภาวนาไปจนทู้งท่านดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วทําความสงบเข้ามาแต่ละวันถ้าทําได้แบ่งเวลาทําความสงบเล็กน้อยแต่ไม่ใช่นั่งทั้งวันทั้งคืนนั่งทั้งวันทั้งคืนก็คือ น, นอนมากพักผ่อนมากเกินไปไม่ย่อมเจริญปัญญางานหลักของเราคืองานเจริญปัญญางานหลักของเราคือวิปัสสนาสมถะคืองานสนับสนุนต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรงานสนับสนุน ถ้าใจเราฟุ้งสั้นมากๆแล้วก็ภาวนายากนะก็ทําความสงบเข้ามาเพอจิตใจสงบสบายแล้วนะก็มาตามรู้กายตามรู้ใจอย่าขี้เกียจที่ ค, ค, คลานอย่าแช่อยู่ในความนิ่งการแชร่อยู่ในความนิ่งนั่นแหละเรียกว่าตื่นนะไปไหนไม่รอดหรอกหมดภาระกันแล้วนะไปฟ้ารอบนี้คืนใหม่หมให้คนอื่นก็ุะตินะอ้าวก็ น, นอนยกมือแล้ะมือเจ็ดสิบเจ็ด สวัสดีค่ะคือครบกวนถามคําถามที่หลวงพ่อไม่ชอบนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเรามาถูกทางแล้วหรือเปล่าก็เคยอีเมลคุยกับอาจารย์สุรวัตรอยู่เป็นระยะระยะแต่ช่วงนี้ก็คือลองปฏิบัติเองก็ยังมีความลังเลสงสัยบ้างเหมือนกันเอ๊ะให้รู้ทันน<ณ>ะจิตนาเนี้ยินในการพูดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ ะ, คะตอนพูดทีแรกไม่ยินแต่อตอนพูดถึงเรื่องอ e ีเมลกับอาจารย์สุรวัตรจิตเริ่มอินเข้าไปในโลกของความคิดแล้วค่ะให้รู้ลงไป ที่ฝึอกอยู่ใช้ได้แล้วขอบคุณค่ะเบอร์เบอร์อะไรเบอร์แปดเจ็ดสิบแปดหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมครับโอ้พูดง่ายดี <Resident> <retailers> เห็นกิเลสย่างเพียบเลยครับดี <SD Gs> <D Gs> นะรู้รู้ไปหน้าแต่ว่าใจวันนี้มันบังคับมากไปนิดนึงใจแข็งเกินไปรู้ให้มันอ่อนโยนสบายๆครับมั น, นมันเาลาความรู้สึกมากไปนิดมันเพิ่งเป็นครับ ครับเปโคครคแท็บไม่เบอร์แปดสิบสี่นักบัณฑาหลวงพ่อครับมันนึกว่าไม่จะมาถึงเข้าใจคําว่าอนัตตาย่างช่วงที่ไม่ได้ประกาบหลวงพ่อผมได้ลองไปเล่นเกมที่หลวงพ่อเคยสอนนะครับเกมติก๊กๆิกแล้วก็เออปรากฏว่าที่มันเห็นมันเห็นได้เยอะแต่มันเหมือนมันแกล้งเห็นไปหน่อยอะครับก็เลย ไม่มีอะไรตัวลงตัวไหนเยอะมันสลับกันระหว่างโทสะกับโมหะคอัจริงๆในขณะที่มีโทสะก็ต้องมีโมหะด้วยนะคือถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธหรอกนะแล้วตัวไหนเยอะกว่ากันละ่ะตัวใหญ่จะเป็นโมหะคโมหะเยอะไปเกิดเป็นอะไรดุริชาต <laughs> ไปเล่นนะ้ํเก็บนี้ในฤดูหนาวเนี่ยเก็บนี้นะ น้าตัวที่สุดเขาเล่นแล้วหนาวสามเท่าหากระดานมาแผ่นน้าสีเป็นช่องช่องไว้เขียนไปราคาโทสะโมหะนะแล้วก็จิตมีราคาทีหนึ่งโลกทีหนึ่งฉีดหนึ่งติ๊กช่องโลกโกรธทีหนึ่งฉีดช่องโกรธทีหนึ่งเสือไปใจลอยไปฉีดช่องหลงทีหนึ่งฝึกห้านาทีนะฉีดไปติกต๊กติก๊กติ๊กติ๊กไปเรื่อยเรื่อนะแล้วก็รวมคนะแนนถ้าอันไหนมากที่สุดเนี่ยนะ นั้นเรียกว่าใจเราคุ้นเคยกับสภาวะนั้นมากไม่มีอาจินะกรรมนะอาจินะกรรมจิตเราเวลาจะตายเนี่ยถ้าเราไม่มีอนันตริยกรรมหรือคารุกรรมนะถ้าไม่มีมราณาสานกรรมกรรมเฉพาะขณะรุนแรงขณะจะตายนะอาจินะกรรมเนี่ยจะให้ผลเราไปเกิด น, นั้นการที่เราซ้ำติกติ๊กติ๊ตเนี่ยนะมันคือเทรนดที่ว่าเราจะไปสู่ภพภูมิไหน ถ้าติ๊กแล้วโทรสายเยอะเตรียมตกนรกเธอๆนะถ้าติ๊กแล้วโลภะเยอะก็เป็นเปลดนะถ้าใจลอยเม่อเม่อบ่อยหลงบ่อยก็เป็นสาาัตว์ประหลานเป็นติ๊กนะห้านาทีเราจะเริ่มถ่ายอนาคตของเราไดนะ้โดยที่ไม่ต้องไปจ้างใครให้ถ่ายนะเราถ่ายด้วยศาสตร์ชนิดนี้แต่ว่ามีความเบี่ยงเบนมีตัวเลือกส่วนว่าตลอดชีวิตเลยนะ นิสัยใจคอหาความดีไม่ได้สักอย่างเลยแต่ขณะจะตายเกิดเริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงขึ้นมาเนี่ยกรรมที่รุนแรงในขณนะตายนี่มันให้ผลก่อนพอให้ผลเสร็จแล้วไอ้กรรมที่เคยฉิดนี่จะตามมาให้ผลเพราะฉะนั้นไปลองดูนะลองดูเกมนี้ปกติให้เล่นในฤดูร้อนแต่ตอนนี้เริ่มหนาวแล้วพอเล่นในฤดูหนาวแล้วจะสั่นเขาจะรู้ว่าจะไปเกิดที่ไหน แต่จะบอกความลับให้อย่างหนึง่งผู้ใดเล่นเกมนี้ผู้นั้นจะไปนิพพานเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่รู้ว่าหลงก็คือมีสติทุกครั้งที่รู้ว่ากโกรธก็คือมีสติเห็นไหมทุกครั้งที่รู้ว่าโลภเห็นความโลภขุดก็มาฉีดไปทิศหนึ่งเนี่ยขณะที่รู้ว่าโลภ ก, ก็คือมีสติขึ้นมาแล้วนั้นการฝึกซ้อมเกมนีนะ้ในความเป็นจริงก็คือการซ้อมดูสภาวะนั่นเอง หัดซ้ำดูสภาวะของเราไปเรื่อยๆมีผลปล่อยได้คือไทยว่าจะไปเกิดที่ไหนได้ด้วยเราไปเล่นนะเล่นดูแล้วจะหนาว <c oughs> แต่คนที่เล่นเกมนี้สติเกิดนะจะไปนิพพานมาส่งมาเบอร์สี่สิบสองข้างหน้านี้วเอาแถมให้คุณครับก่ออนแรกวันนี้มาก็พอเห็นคนแล้วก็ทันทีจิตอดหู พอคิดว่าคงไม่ได้ส่งกันบ้านแล้วแล้วก็เพิงสัมผัสถึงความเป็นอนัตตาเมื่อกี้นี้เองคือช่วงนี้มันเห็นได้บ่อยว่าตัวเองลงไปคิดทั้งวันแล้วก็คือโมหะมันมีทั้งวันเลยแล้วมันมันเห็นบ่อยจนรู้สึกว่า มันก็เหมือนกับว่ามันเราก็เห็นเห็นอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยสงมันเกิดความสงสัยแต่มันก็รู้รู้ว่ามันสงสัยอยู่ว่าให้เราเห็นผิดหรือเปล่าอืก็รู้ไปนะรู้ลงปัจจุบันก็คือสงสัยไปที่เห็นนะเห็นถูกแล้วไม่ผิดนะครับออไม่ผิดหรอกบางคนนะหลวงปู่หลวงปู่ดูลนท่านบอกว่าจิตมันจะหาพยาน<ช>เห็นเห็นอยู่นะแต่อยากมีพยานประมาณอารมณ์ประมาณนั้นครับเอาไปส่งต่อไปแถมอีกสองคน วันนี้มัวห่หลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าตรงใจเยอ ะ, ะอเวลาดูแบบเหมือนลงไปดูอะค่ะรู้สึกไหมมันมันจ้ากเกินจริงนิดนึง ใ, ในขณะที่ข้างในถึมัวมัวแต่ว่าเราทําใจให้เจ้าเจ้าออไปเหมือนเอาตาไปใช่ใช่ค่ะให้รู้ทันไปรู้อย่างที่เป็นเจ้อะไรถึงเป็นอย่างนี้เพราะไม่ยอมรับความมัวปฏิเสธความมัว ใ, ให้รู้ทันว่าไม่ชอบมัว อ่ะถัดไปคุณแตมเมืม่อช้ารู้สึกมัวกว่านี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกระยะทางที่นั่งรู้สึกทําให้ <c oughs> ไม่ตั้งมันเท่าที่ควรแต่ตอนนี้ดีขึ้นหน่อยค่ ะ, ะเบอร์เลยยกมือไว้เบอร์สี่สิบสองยกไว้ส่งมาข้างหน้าเลยส่งมาข้างหน้าเดี๋ยวมาข้างหน้าแล้วต้องคืนคนข้างหน้าเขาละ แย่งเข้าไปตั้งแต่แรกเลยหนูภาวนาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ามันหลุดออกมาค่ะแล้วก็อ่อรู้สึกว่ามันปลอดโปร่อแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นสภาวะที่เหมือนกับเรามองแล้วใจมันไม่ใช่เราค่ะเห็นการทำงานของจิตใ จ, ใจแล้วก็เราเป็นคนมอง ไม่ไม่ใช่เราใช่ภาวนาได้ดีแล้วแล้วก็พอวันนุ่งขึ้นนะคะเหมือนกับว่าอยู่ในที่กว้างพอออกไปข้างนอกอยู่ในสถานที่ข้างนอกก็เหมือนเราเนี่ยอยู่ในที่ที่กว้างขึ้ น, นกว่าเดิมใช่ใช่ภาวนาแล้วนะมันจะเป็นรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้น เ, เรื่อยเรื่รู้สึกเหมือนเราอยู่ในที่โล่งที่กว้างนะเป็นเบิกบานมีอิสระดีล้วเมื่อกี้ใครยกมือทางนี้แวบๆนะ สังเกตไหมใจเรายัางเข้าไปเกาะดูออกไรใช่ไหมของคุณมันเกาะเป็นประจําเพราะว่ามันติดกรรมฐานเดิมกรรมฐานเก่าที่ทําไว้มันเท่งไม่เคยทํำเลยงั้นก็ทํามาแต่ชาติก่อนอาจารนี้ไม่ทํำมะเพราะมันติดเท่งนิ่งนิ่งงี้งงงมาตลอดนอหนูเรียนกับอาจารย์เป็นท่านแรกค่ะไม่เคยเรียนไม่เคยไม่เคยเรียนไม่เคยทํากรรมฐานที่ไหนเลยค่ะ ดีแล้วที่รู้ทันใจที่เข้าไปเกาะพอรู้ทันบางทีก็หลุดออกมาบางทีก็เข้าไปเกาะอีกนะถึงจุดหนึ่งมันจะไม่เข้าไปเกาะกับอะไรเลยแล้วก็ไม่วิ่งหลงไปหลงมาด้วยมันจะเต็มบริบูรณ์เต็มโลกธาตุหนี้เลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเหมือนเนี่ยความสุขเนี่ยสัมผัสอยู่ทุกอนูเลยอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่ากรรมัรรมสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีโมหะอยู่นิดหน่อยค่ะ แล้วก็การปฏิบัติที่ผ่านมาก็คือเห็นใจมันทํางานของมันเองอกลางคืนก็เห็นมันทําตอนช่วงที่มันจะเริ่มตื่นขึ้นมาก็เห็นมันคิดคิดฝันฝันของมันแล้วก็บางทีก็เห็นอารมณ์เกิดขึ้นในความฝันเราก็เห็นของมันเองนะคะแล้วก็บางครั้งเห็นเวลาจิตมันไปคิดเรื่องอะไรแล้วมีสติดูอยู่แต่ว่ามันยังอยากจะคิดเรื่องนั้นให้จบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เห็นจิตที่มันเหนื่อยอ่ะค่ะ อ่าแล้วก็อพักหลังก็รู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็พวกอารมณ์ที่แรงๆมันก็จะมาครอบใจได้น้อยลงอะค่ะคืออย่างอาทิตย์ที่แล้วพ่อเข้าซีซียอ่ะค่ะก็คืออาจจะรอดหรืออาจจะไม่รอดเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจริงๆแล้วถ้าเกิดก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่ภาวนามันอาจจะต้องเสียใจว่าพ่อกําลังจะตา ย, ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันรู้สึกเฉยๆอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอนะอดค่ะตอนพ่อหลวงพ่อตายนะจิตเบิกบานนะ ดีแล้วฝึกไปธรรมะช่วยเราได้นะมีคนใช้สำนวนบอกว่าธรรมะของขพระพุทธเจ้านะช่วยถอนลูกศรคือความโศกออกไปจากจิตใจได้นะคนทั้งหลายมันโดนธนูเสียบหัวใจอยู่ตลอดมีความทุกข์เสียบอยู่เราฝึกภาวนาวันหนึ่งเราถอนลูกศอนนี่ออกไปได้นะดีใช่ได้ถ้ามีข้อบกพร่องอยู่หรือว่าไปติดอะไรอยู่หลวงพ่อช่วยแนะนําหค่ะ อัาแตดส่งไ่ไปอ้อาวจะแน่แล้วรู้สึกไหมติดนิ่งรืออกไหมมันติดนิ่งมันนิ่งเกินจริงรืออกไหมั้ยอ่ะอ้าวโทสะเยอะมึงคะเพราะว่าคื อ, อวาวนานแล้ว หลงไปคิดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็คือจะโมโหตัวเองที่ทำไมคิดอยู่ตลอดเวลาใครๆเขาก็าคิดตลอดเวลาดีแล้วใชรได้แล้วต้องไม่ต้องทำอะไรดูไปเลยทุกทายนำสกาหล้องพ่อครับช่วงช่วงหลังเห็นเราในความคิดชัดขึ้นนะเห็นมันไวๆแต่มีเราอีกคนหนึงดูอยู่นะพ่อ แล้วก็ ช, วช่วงนี้ก็เห็นความคิดที่หนีไปบ่อยขึ้นนะหลวงพ่อดีอนะใช้ได้นะนมัสการค่นะหลวงพ่อ ช่วงนี้ก็วันนี้รู้สึกว่ามีโมหาค่ะช่วงช้าแต่ช่วงนี้รู้สึกมีกําลังมากกว่าช่วงตอนหลังอนะคะโมหาหมดหรือยังยังไม่หมดค่ะถูกใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่าภาวนาเนี่ยจะสบายขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วหรือ<ม>สองอาทิตย์ที่มากาบหลวงพ่อนะคะ<ม>แล้วก็ช่วงเชาเรารู้สึกไหมเราน้อมใจให้มันอ่อนๆผิดความจริงเราน้อมใจให้มันนุ่มนวลอ่อนโยนผิดความจริงอรูอ้ออกไหม สลงพ่อพูดก็ก็เริ่มันเออเนี่ยเริ่มเป็นคนธรรมดาแล้วรู้สึกไหมเพราะว่าแบบถ้าปกติมันจะชอบเพลงใช่ไหมหนูก็อยากให้มันแบบนุ่มๆเบาๆอะไร่าเงี้ยก็เลยไปทำให้นุ่มเรา่องนึนึกออกกยังนึกออกแล้วค่ะก็คือให้ธรรมดาให้รู้ทันนะไม่งั้นจะไปติดมันอยู่สมพงศ์ก็รู้ไปเรื่อยๆอย่ครับ พูดง่ายเนาะดูแล้วเห็นอะไรพอดีช่วงนี้หลงค่อนข้างเยอะครับพอดีมีภาระนาที่ต้องทำก็เลยไม่ค่อยรู้สึกตัวสมพง n ใช้ได้นะสมพงดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วทางจิตใจเห็นไหมเสื้อเขียวท้ายแถวว่าหัวแทบแย่แล้วเอาให้เข้าก่อนไปเดี๋ยวเขาหัวใจวายกาบน้ำมันสกาหลงก็อค่ะ ะะก็ขออนุ ญ, ญาตส่งกันบ้านนะคะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองตอนนี้มีความสงสัยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนได้มากับหลวงพ่อทีหนึง่งแล้วก็ได้ขอคําที่แน่ใจหลวงพ่อไปหลวงพ่อบอกว่าภาวนาใช้ได้แล้วในใจตอนนั้นก็ติดอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ถามต่อกลับมาที่บ้านก็นั่งนึกอยู่ว่าสภาวะของการภาวนาดีแล้วที่หลวงพ่อบอกนั้นมันเป็นยังไงะคะ่ะอืม กับพ็มีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละเรียกว่าภาวนาคําว่าภาวนาจริงๆแปลว่าเจริญหมายถึงอะไรเจริญสตินั่นเองมีสติจิตใจเรามีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลสุครู้ว่าสุขทุกรู้ว่าทุก็รู้ได้แล้วนี่จะต้องมีปัญหาอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วในขณะที่เรารู้นี่เราต้องพิจารณาตามไปด้วยไม่ต้องนะอย่าเอาความคิดเข้าไปใส่ดูลงไปว่าของจริงๆเป็นยังไง แล้วตอนไหนที่เราจะทราบได้ว่าเราควรที่จะละตรงนั้นแล้วนะคะหลวงพ่อือคือเราควรที่จะอระวางตรงนั้นแล้วอะค่ะในกับการวางตรงนั้นอย่างเช่นเราเห็นกายนี้ทุกเราก็ไม่อยากที่จะไปยึดกับกายตรงนั้นหรือว่าใจทุกก็ไม่อยากมันต้องละของมันเองไม่ใช่เราละนะเพราะดูไปเรื่อยๆดูจนเขาระของเขาเองไม่ต้องไปละแทนเขานะเพราะฉั้นต้องดูไปเรื่อยถ้าคนไหนมันดื้อเมือนต้องทุกนานหน่อย ไหนไม่ดือ้อดูไปเห็นครั้งสองครั้งนะก็ปล่อยวางหน้าเบอร์สิบสี่นมัดกการหลวงพ่อค่ะรู้สตื่นเต้นไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าต่อไปมายจะขึ้นไปข้าไปข้างหลังหรือออกมาข้างหน้าเห็นไหมสองแถวนี้มีใครตื่นเต้นบ้างไหมถ้าว่าไปเบอร์สิบสี่คือตอนนี้ตื่นเต้นน้อยลงนะคะออะมีความรู้สึกว่าถ้ า, ถ, าถ้ามันมีความ อยากนิดนึงเนี่ยค่ะที่อยากจะจะถามหรือว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเบอร์หกสิบหกส่งกี่ด อ, อกนอกแล้วะอ่าเบอร์สิบสี่คือคิดว่าต้องมีความอยากสักนิดนึงเนี่ยค่ะความทุกเกิดแล้วนะคะคิดว่าอยากจะจะถามหรือรู้สึกว่าอืมัน ม, มันมีความอยากนิดนึงอ่ะแล้กวก็มันทุกทันทีเลยค่ะแล้วก็เ อ, อครั้งที่แล้วเนี่ยหนูไม่ได้ถามไหมคะหนูก็รู้สึกว่าเออมันมีความกระวนกระวาย แต่ถ้าเกิดเรามีความสึกว่ามันไม่มีความอยากเนี้ย ม, มันจะรู้สึกดีกว่า<ม>แล้วมีความสึกว่าเวลานอนนะคะกำลังจัดนี้ใช่ไหมคะมันก็รู้เลยว่าเออเราเราคิดค ว, <ม>ความฝันคือความคิดจริงๆอตลอดเวลาเลยค<ม>่ะบางทีมันก็ตื่นขึ้นมานะคะอาจารย์แล้วพอจะหลับอ่ะมันตอนหลับ ก, ก็ก็รู้ว่ามันคิดอีกอ่ะค่ะ<ม>อาจารย์นะอาจารย์<ม>คะมันมีช่วงหนึ่งเมืม่อประมาณสี่เดือนที่แล้วอะค่ะ หนูนั่งอยู่ในร้านกาแฟนะคะกับนั่งติดกับเด็กผู้หญิงประมาณสี่ห้าคนนั่งติดกันเลยนะคะแต่หนูนั่งเฉยๆก็หนูก็ดูจิตมาแล้วประมาณสองเดือนหนูเห็นเด็กผู้หญิงสี่ห้าคนเขาก็าพูดกันเสียงดังลั่นมากเลยอะะ่ะค่ะแต่มีช่วงระยะเวลาหนึงหนูมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เสียงเหล่านี้เนี่ย ม, ม, มันไม่เข้ามาอยู่ข้างใน<ม>ใจเราเลยอะะ่ะค<ม>่ะจ้ะประมาณสักมันไม่รบกวนเราเลยประมาณสักเออ สามสิบสี่สิบวินาทีอะ่ะแล้วก็พออีกสักนั้นประมาณอีกหนึ่งเดือนนะคะหนูกลับมาจากผาซ่อนแก้วเออหนูก็ก็ขับรถอยู่นะคะจารย์คอ่อขณะขับเนี่ยนะคะอาจายันมันมีความรู้สึกว่ารอบข้างถนนหนทางเนี่ยคะหนูไม่มีความรู้สึกว่ามันมั น, ม, นมันขาดการรับรู้ไปหมดนะคะจารย์แล้วก็จนกลับไปถึงบ้านนะะหนูก็พยายามคิดนะคะจารย์คิดเป็นคําพูดขึ้นมาแล้วมันก็ดับ คิดคิดหนึ่งวิดับหนึ่งวิคิดหนึ่งวิดับหนึ่งหนึ่งวิประมาณสิบวเกิดสภาวะนะั้น <c oughs> นะให้จอบรถซะก่อนไม่ใเรียกว่าประมาทนะค่ <c oughs> ะมันมันมันเหมือนกับว่าข้างๆมันไม่เข้ามามแต่เสียดสีด้วยใจมันก็อยู่ส่วนหนึ่งโลกมันก็อยู่ส่วนหนึ่งมันไม่กระทบเข้าหากัน <c oughs> มันไม่เข้ามาเลยค่ะอาจารย์ค่ะแต่การที่ไม่เข้ามาเนี่ยนะเข้ามาเพราะว่ามีปัญญาสนับสนุนไปก็ได้ เขาไม่เข้ามาเนี่ยนะเพราะว่ามีสมาธิกั้นไว้ก็ได้ทําได้ทั้งสองแบบนะง<ช>ั้นถ้าเมื่ อ, อไหร่จงใจที่จะไม่ให้อะไรเข้ามาเลยเนี่ยอันนี้แกล้งทําขึ้นมาด้วยกําลังของสมาธิแต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งบางช่วงใจมันเกิดปัญญามันก็สักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างเรเดินผ่านไปในคนพันคนแล้วนะเนหะมือนเดินไปในที่ว่างเลย<ช>ไม่กระทบสะเกินไม่รู้สึกเลยไม่ต้องเอาสภาวะนี้น ะ, ะ ม, ม, มันเกิดมันมีขึ้นเองมีก็มีไม่มีก็ช่างมัน ถ้าหลังจากวันวันนั้นไปสักวันวสองวันก็ไม่รู้ไปไปสัมผัสอันนี้ครั้งแรกๆเนี่ยมันจะเกินจริงรู้สึกไหมมันเกินจริงหนูเหมือนหนูไม่ได้ทำอะไรมันเป็นเองหนูสังเกตที่ใจหนูใจหนูมันจะนิ่งเกินจริงมันจะนิ่งๆทำให้ดูนะง่ายๆหรอกเนี่ยมันจะถ้ามาอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่มีกระทบอะไรละ รู้สึกไหมมันมันอัพให้มันนิดหนึ่งไม่ถึงขณะปัจจุบันนี้ไม่ใช่ที่สิ่งที่เล่าไปใช่ไหมคะเอคือณะปัจจุบันตอนนี้นะคะค่ะแล้วเลิกซะเราเป็นคนธรรมดานะส่วนสภาวะอันนั้นจะเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ช่างมันแล้วหลังจากวันนั้นหนึ่งวันถึงสองวันเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแยกจากกันชัดเจนมากเลยค่ะเป็นสองวันแล้วค่อยกลับมาเป็นปกติอะค่ะแยกก็แยกนะค่ะรวมก็รวมยังไงก็ได้ขอบพระคุณค่ะไม่เอาอะไรสักอย่างนะ อ่าเบอร์หกสบสองนั่งลุ้นอยู่อยากให้ใส่ข้างหลังใส่ <c oughs> มาข <c oughs> ้างหน้า <c oughs> ก็มีโทรศัพท์พื้นนะคะแล้วก็อารมณ์ <c oughs> อือ่นก็เปลี่ยนเข้ามาเปน็นช่วงๆอะคะ่ะเอาไปให้เบอร์สามพันหกหน่อยเบอร์สามพันหกอย่าเสียใจขเขาประทุนจะกลับน ม, มัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้โยมที่เป็นอยู่ก็คือโยมดูจิตนะคะ แต่โยมสงสัยว่าสงสัยนะเจ้าค่ะก็คือดูเข้าไปแล้วทําไมโยมรู้สึกเจ็บหว่างอกก็เลยสงสัยว่าเพ่งเกินไปหรือเปล่าแรงไปนิดหนึ่งนะนะรู้เล่นๆของโยมจงใจแรงไปนิดหนึ่งเจ้าค่ะแล้วมีอย่างหนึง่งต้องแก้ไขหน้าไม่ต้องแก้นะรู้ไปกลับขอบขระค<ม>ุณเจ้าค่ะมาส่งมาข้างหน้าคืนแถวหน้าเขา้ักทีเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วไม่ได้ตรวจแถวหน้าจิตมีน้ําหนักค่ะ ไม่ทราบไปกดหรือเปล่าค่จ๊ะใช่ได้แล้วครู้สึกยังไม่ค่อยยอมรับอยู่แต่รู้สึกเหมือนจะน่าจะดีของเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานานะวถูกต้องฟืน้นวุฒล่ะมีตื่มเต้นเราติมาแทบทุกวันยังตื่นเนต็เนไม่รู้ทำไมมันมีมันมีตื่นเต้นแล้วก็มีปฏิเสธมันด้วยเออสอบถูกใช่ได้เอาจุ๊พึ่งจะตื่นเต้นนาค่ะ ตอนแรกมันก็เห็นว่ามันก็สงบแล้วก็ซึมๆไปช่วงเช้าจู่ๆเห็นว่ามันมันเริ่มเห็นอาการณ์ที่มันเป็นวูบเป็นวูบเป็นระยะนะคะหลวงพ่อแล้วจิตเวลามันขึ้นวิถีแล้วมันหลงผวาแล้ววูบลงเป็นระยะระยะระยะแล้วก็ส่งสตะเราง่วงหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกเราไม่ได้ง่วงก็เห็นเป็นจังหวะนั่นแหละฝึกแตกนะไม่ได้เอาอะไรสักอย่างพ่อข่าวเมื่อคืนเมื่อคืนนอนพอไหม ใช่เมื่อคืนมันไม่หลับอะค่ะคิดมันตื่นตลอดเลยแล้วก็จนจัดแถวๆคุณรู้สึกไหมมันกับปรบกระเปี้ยใช่ค่ะกับปรบกระเปี้ยทางใจทีแรกมันยังเข้าใจว่ามันเป็นการเพราะมันง่วงก็ดูมันง่วงไปเฉยๆคนหลวง่อเตือนใครก็ไม่ทราบว่าไปกดไว้มันก็เลยหันกลับมาดูของตัวเองเมื่อคืนนี้ชั่ประมาณตีสามมันเข้าไปห้องน้ําแล้วก็มันดูกระจก เห็นตาตัวเองในกระจกอะค่ะมันไม่เหมือนตามนมันไม่รู้ตาใครเป็นเรื่องปกตินะถูกต้องใช้ได้แล้วก็หน้าก็เริ่มจะเหมือนไม่เหมือนหน้าเราแต่สักพักหนึ่งมันคือหน้าเราคือมนเ์เดินดูไปเรื่อยๆจนมันต้องหน้าเราบางทีมันเป็นคนแปลกหน้านะอ้าวไม่ใช่พูดเล่นนะบางทีเนี่ยยกมือขึ้นมานี่มันอะไรวะทําไมทําไมมันต้องมีห้านิ้วด้วยดูพิลึก เดี๋ยวนี้ชัจะเป็นบ่อยขึ้นนะคะบางทีเวลาถูตัวอย่างเงี้ยค่ะถูถัวแล้วก็ไม่รู้ตัวอะไรใช่ค่ะเอาแขนสองแขนถูกันนะคะบางที่นั่งอยู่ในรถเอาแขนสองแขนถูกันแล้วก็มันไม่ใช่แขนเดาใช่มันเป็นแค่ข้อท่ะแค่วัตถุว่าถามเมื่อกี้ตอนมลนั่งอยู่ข้างหน้าตอนไหนพวกที่หัวเราเริ่มไม่กล้าหัวเราแล้วะไม่เป็นไรค่ะเขายังไม่เข้าใจหมันวนสมัยก่อนถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาจะดีใจเหมือนมลเมื่อคืน เฉพาะตอนวนนั่งตอนพ่อบรรยายตอนเช้าอ่ะนั่งนั่งแล้ววนวนเห็นมันง่วงมันก็เฉยๆกับมันสักพักวนเห็นมีเหมือนแสงแวบๆขึ้นมาอืค่ะแล้วไงอ่ะก็ไม่ไงก็วนก็เช่ก็ดูมันไปก็ดูไปแต่เวลาดูนะไม่ว่าเราจะดูอะไรอย่าถลําลงไปดูนะค่ะดูเล่นๆดูอยู่ห่างๆก่อนจะดูนะท่องไว้นะเช้ากันไฟฟ้า่ายผลิตก่อนจะรู้เนี่ยอย่าจงใจให้มันรู้เอง ระหว่างรู้นะสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่าถล่มลงไปรู้รู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขไม่ทําอะไรเลยนะมันมีสามระยะนะก่อนจะรู้อย่ายจงใจให้รู้เองระหว่างรู้นะสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่า ก, กระโจนลงไปรูนะ้เหมือนเราดูฟุตบอลเนะ่ยอยู่บนอธัจธจันทร์ดรู้แล้วก็ไม่แทรกแฝงนะด้วยความยินดียินร้ายเกิดยินดียินร้ายได้แต่รู้ทันอย่าไปหลงตามความยินดียินร้ายแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แล้วในคุณมนว่าขามนมนก็ไม่ชอบจะทําไงให้มันไม่อยากเพราะว่ามนเคยมีอาการที่มันแยกกายแยกจิตมากกว่านี้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วมนไปอยากมันแล้วมันก็หายไปเลยเดี๋ไปหามันสิแล้วพอมันมารอบนี้อีกมนว่าเดี๋ยวมนก็คงอยากอีกอะค่ะอยากอีกก็ทุกข์ไปนะฮะต้องต้องเจอทั้งหมดอยากเลยมนก็ท่องแล้วนะคะว่ามันชั่วคราวแต่ว่ามันคงอยากอีกจิตไม่เชื่อมนเชื่อแต่จิตไม่เชื่อขอบคุณค่ะ วันนี้ใครดูนะวันนี้ อ, อันตราี่โมโหนิดหน่อยอ่านะวันนี้มันมีกระแสของโพสะวนๆอยู่ข้างในแล้วใครรู้จะปทุบตีคุณพุทธนะสงสารเขาอ่ะเมื่อวานภาวนาช่วงเช้าติดไม่ค่อยตั้งมั่นแต่ว่าช่วงบ่ายมันค่อยลงถึงฐางนอแอ่พอช่วงเย็นๆมันเดินเดินไปเนี่ยมันจะเห็นว่า จะเห็นกายที่มันเดินแล้วมันจะเห็นว่ามันโยกแย่ของมันไปอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อแล้วก็จะเห็นความคิดเห็นอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นว่าเหมือนเราก็ยังดูอยู่มันก็จะเห็นสลับสลับสลั บ, ลบกันอย่างเงี้ยค่ะจิตขณะนี้เป็นไงตอนนี้จิตมันมันไม่ค่อยตั้งมั่นแล้วมันก็กระจายกระจายเออตอบถูกนะใช่ได้สารหเห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้แก้ให้รู้สึกไหม จิตเขาไม่ตั้งมั่นจะกระจายเอถูกล้จบแล้วไม่ต้องแกะรู้อย่างที่มันเป็นแล้วจะเห็นเลยมันจะกระจายมันก็กระจายของมันเองนะมันไม่ใช่เราหรอกเราดูจนเราไม่แทรกแสงเลยไม่ใช่เราสารนะมันมีกดเป็นช่วงๆแบแล้วก็มีคลายออกมาเป็นช่วงๆเออสักซ้อมกดไหมสักซ้อมเอ้าอาจารย์ลูกฝีว่าไงหมูนี้ใจดีขึ้นไหมหรือกลับมาดูร้าย เลยได้ไหค่ะเนียคนคนเนี้ยที่เล่าให้ฟังอ่ะมาทีแรกนะักอุยชอบตีลูกศิษย์ต่อมาพอมหาหัดดูจิตดูใจแนละ้วไม่ตีลูกศิษย์ผวาเลยทีแรกไม่ตีอาจารย์นี้ไม่สบายกังเดี <c oughs> ย๋ยวนี้เลยเป็นอาจารย์ที่ลูกศิษย์รักแล้วมันสาวีก็รักด้วยเจ้าค่ะเออ <c oughs> มันต้องอย่างนั้นสิ พยายามตามรู้ตามดูแต่ก็ยังเผลอบ่อยมากทุกวันเลยอให้มันเป็นธรรมชาติยิ่งกว่านี้นิดหนึ่งบังคับแปรงไปนิดหนึ่งนะตอนนี้ใจทื่อๆอยู่รู้สึกไหมค่ะเออให้รู้ไปอ้าวจิ๊ดเดี๋ยวเราจะดูฝีมือวิทยากรบ้างละไม่ใช่วิทยากรไม่ไม่จิ๊งปล้าไปก่อนเดี๋ยวจะส่งไปทางนี้วันนี้มันใสขึ้นแบบเมื่อวานอ่าไปเสร็จแล้ว เมื S <S ่อกี้ก็กังวลนะคะ่ะว่าทำไมมันจะมาหรือเปล่าแต่ก็ช่วงนี้ก็อถ้าดูลายเดือนช่วงนี้ก็ดีกว่าเมื่อเดืทีแล้วดีกว่านะหลายเดือนที่ผ่านมาใจมันป้อแป้แปะไปเอาฉัดส่งกันบ้านนี่คนนี้เป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนะอย่าประมาท น, นะเนี่ยหนุ่มหนุ่มลอยอยอย่างเงี้ยไปกินเลี้ยงนะกลับมามอเตอร์ไซค์ชนเคินไม่ได้ตั้งหลายเดือนเลย วันนี้ก็จงใจมากไปครับหลวงพ่ออะไรนะรึกจงใจมากเกินพันก็บังคับบังคับที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วครับดูเล่นๆแต่ได้ใช้ได้ที่ฝึกอยู่ที่ป่วยอยู่ก็ป้อแป้ครับหลวงพ่อป้อแปะไปไม่เป็นไรตอนนี้หายแล้วก็ดูเอาครับมันเป็นบททดสอบนะเวลาเจ็บป่วยอ่ะดูว่าตู้ไหวไหมไหว แต่ว่าเราภาวนาแล้วเราอยากกลัวนะสมมติว่าเราจะเจ็บจะตายจริ ง, รงๆถึงขนาที่มันรู้ว่าตายแน่เนี่ยจิตมันจะเปลี่ติอย่างจิตตอนที่รู้สึกว่ายังไม่ตายเนี่ยนะมันจะพ่อแฝดพ่อแฝดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันรู้ว่าต้องตายแน่ๆนวะมันสู้ตายเลยนะสติปัญญามจะหมุนจีขึ้นมาอาตโนมัติครับรับร้มตั้มตั้รู้สึกไหมตั้อไม่ใช่มนุษย์ปกติร ตั้มเป็นอุนต้าแมนรู้สึกไ้ยจิตเริ่มหนักขึ้นนะครับแล้วก็ยังแอบสังเกตอยู่ไม่ได้ดูธรรมชาติของเขาเออไม่เป็นธรรมชาตินะ อ, อส่งไปคุณสิบนาสการครับก็ตอนแรกก็นั่งอยู่สบายๆเขาคิดว่าเป็นผู้สังเกตการพอพ่อบอกว่าจะตอ้องขรมเท่าบอกว่าจะให้ส่งมาทางนี้ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วก็มีความยินดีขึ้นมาว่ามีโอกาสได้ส่งการบ้านเลยที่ไม่ได้คาดหวังครับอืแล้วไงล่ะ ก็ตอนนี้ก็สบายครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับจิตไม่ธรรมดาดูออกไหมครับจิตไม่ตั้งมั่นเกินเกินจริงครับเกินจริงโอเคพูดอ้อยนี่อ้อยลูกศิษย์อาจารย์ไทยสารอาจารย์ไทยสารบอกลูกศิษย์อาจารย์สมุทชเจ้าตัวเลยเสียใจหาอาจารย์ไม่ได้อ้าว่าไปไม่ได้เป็นวิทยากรค่ว่าเป็นกองเขี่ยวิทยากรก็ กำลังคิดค่ะก็ส่งกลับบ้ายังไงคิดไม่ออกกันหลวงพอคิดไม่ออกรู้ว่าคิดไม่ออกแต่เมื่อเมื่อเม่อช้าโล่งดีกว่ตอนอยู่วะจังค่ะอ่ะสับได้ใช้ได้อ้าวตาจูนที่หลวงพ่อให้ไปดูความยึดในทิฏฐิอัตตาโมนาค่ะ ก็เห็นว่าคือแทนที่มันจะเห็นของตัวเองชัดเนี่ยมันไปสังเกตเห็นคนอื่นชัดแล้วไปตีกับคนอื่นแล้วก็พอเห็นความโกรธที่มันความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเห็นแล้วมันดับไปปุ๊บเนี่ยมันย้อนกลับไปมันนึกไม่ออกแล้วมันโกรธเรื่องอะไรอะ่ะ ม, มันขาดไปเลยแล้วก็ดูปรากฏว่าคืนก่อนหน้านี้เนี่ยในความฝันเนี่ย คือใจมันไปจมอยู่ในความฝันคือมันมรู้ตัวไม่ได้แต่ว่ามันเห็นว่าที่เราเศ้าในความฝันเนี่ยพอนเพราะว่าเรามีความยึดว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วแล้วก็มันก็รู้ตัวขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่เราปัดอยู่อืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดไปหลงสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ดูไม่ออกเลยก็เลยแบบอ๋อถ้างั้นจุดที่จุนจะดูแล้วรู้ได้ก็คือว่าพอเห็นความยึดว่าอันนี้มันไม่ใช่เราหรืออันนี้มันเป็นของเราแล้วมันมีสติเกิดค่ะอื แล้วก็เกินจริงค่ะตอนนี้มันกดๆอยู่ค่ะถูกต้องอาในยานิสแก่แล้วทําไมไม่ไปอยู่ของเราเงียบๆเวลาของเรามีน้อยแล้วนะรับยู้คนอื่นเนี่ยค่ะก็เลยตรงนี้พอดีเลยค่ะไปซ่อนตัวภาวนาไปค่ะภาวนาให้มากๆนะเดี๋ยวไม่ทันค่ะแก่แล้วค่ะพี่ว่าแก่แล้วเพราะว่าอ่อนกว่าหลวงพ่อสองปีอย่างเงี้ยค่แล้วไงอ่า จริงๆเป็นห่วงตัวนี้นี่มากที่สุดนะคะต้องห่วงนะค่ะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเอาตัวไม่รอดไม่รอดแล้วโอกาสแปอบานีนะไม่ใช่ไม่มีเพราะใจเรามันจะมีโทสะเคล้าอยู่เรื่อยๆรู้สึกไหมรู้สึกค่ะอันตรายนะเพรั้นอย่าไปยุ่งกับคนอื่นพาวนาเยอะๆหลวงพ่อถึงบอกว่าอยไปทําำในรถตูงรถตู้งานอะไรรับวปลดให้หมดแล้วภาวนาอเว็บตรงเว็บไซต์อะไรวุ้ไปทําทําไม เสียเวล า, า, อาหอนาเยอะๆเอาโน่นวิทยากรอันนียคุณผู้ชายนี่คว้าไม่แล้วแถมให้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ เ, เดี๋ยวใจนามสกุลหลวงพ่อมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังไม่เคยปฏิบัติแล้วก็ก็ฟังทุกท่านมาเพื่อที่จะนำเอาสิ่งที่เราไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น จะเอาไปบดตดทีนะครับลองดูนะสองดูฝึกแล้วมีความสุขไอ้แมวยกมือหน่อยแมวนี่พวกนี้มาช่วยงานหลายวันแล้วไม่ได้ส่งกันบ้านเลยค่ะเมื่อวานตอนทีค่คุยอยู่กับพี่ๆจากกพอพอนะคะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือคุยแล้วเหมือนกับความคิดมันขาดไปอะคะ่ะ ม, มันขาดไปเฉยๆปกตินะเป็นอย่างั้นแหละไม่ใช่อันไซเมอร์หรอก ค่ะ <c oughs> แล้วก็เออมื่อเช้าเนี่ยได้สังเกตเห็นว่ามันมันเห็นโทสะที่ถูกเก็บไว้ลึกๆค่ะตอนแรกเนี่ยไม่เห็นแต่ว่าพอมันมีโอกาสที่จะแสดงตัวมาก็ก็เห็นว่ามันมีอยู่ค่ะดีแล้วในยนิตอย่าไปเสีย อ, อกเสียใจมันแก่แล้วนั่งดูพวกเราออไปก็มีเท <c oughs> ่านี้ค่ะ อัคนนี้ยกมือแล้วดูสิแอบไปเสียใจอีกแล้วพอบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นหรือเสียใจอย่างเงี้ยต้องไปเศ้าไอ้งานหนังสือคนเยอะนรมัส ก, การขอวงพ่อหักขอโอกาสครับคือผมเพิ่งหักดูจิตนะครับเลยจะขอคำแนะนำเพื่อจะไปพัฒนา ใช่ได้แล้วนะหัดรู้สึกไปดูกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกเฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงอย่างตอนเนี้มาตั้งใจฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมรู้สึกครับใจมันตั้งใจเราก็รู้ว่าตั้งใจเราพูดฝึกไม่ยากหรอกหัดรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าทราบไม่ได้ใจให้รู้ว่าไม่ได้ใจนะอืมให้รู้ลงไปเรื่อยๆเนี่ยใจลอยไปแว้บหนึ่งรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ย มัเบลอๆไปปุบหนึ่งนะไม่เไปไ็นไรยังไม่เห็นไม่เปไ็นไะรรู้สึกไหมร่างกายเรากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเพราะว่าเราตื่นเต้นรู้สึกไหอรู้สึกครับเอแล้วนะรู้สึกที่ร่างกายไปเรื่อยๆนะคอยขยั บ, บขยับตัวไปแล้วก็รู้สึกขยับแล้วก็รู้สึกไปเรืนะ่อยเอากายมาช่วยนิดหนึ่งของคุณนะเอากายมาช่วยหมายถึงร่างกายเรากระดุกกระดิกอะไรนี้เราคอรู้สึกไปนะไม่ใช่ดูจิตอย่างเดียวนะครับถ้าร่างกายเคลื่อนไหวอย่าง ไปยักหน้าเอเมื่อกี้เผลอไปยักหน้านละ้รู้ว่าเมื่อกี้ไปไปยักหน้าเนี่ยเมื่อกี้กรอกตารู้ว่าไปกรอกตาเมื่อกี้นะไม่ใช่ปัจจุบันนะเนี่ยเมื่อกี้ไปยักหน้าอีกละรู้สึกไหมไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกนะ <c oughs> ตื่นเต้นรู้สึกไหมรู้สึกครับเนี่ยดูไกลก็ได้ดูใจก็ได้อ้าคุณสุเมศอ้าคุณเมตครับ ที่ตัดที่ใต้อยนี้ก่อให้ผู้หญิงก่อนเนี้ยสุขภาพดีครับท้วงดีขึ้นบ้างหรือยังคะดีสี่สีช่ได้นะดีไม่ไม่ผิดเลยที่สองวันที่แล้วไม่ผิดนะขอบคุณจ้ะที่ใต้พยายามปล่อยให้หมดนะที่กดไ้เลิกให้หมดเลยเหลือเหลือนิดหน่อยเอาคุณซูเมะแล้วไงให้ให้ส่งกลับบ้านหรือว่าให้ลาครับให้ลาให้ลา ก็ในานามของชาวการไฟฟ้าแผ่ผลิตนะครับขอกราบขอขอบคุณหลวงพ่อนะครับถ้าพวกเราได้กระทําความเดือดร้อนหรือว่าทําการโดยประมาทพลาทพั้งของไปกับหลวงพ่อนะครับขอให้หลวงพ่อให้อาภัยพวกเราด้วยนะครับพวกเราขอกราบพร้อมกันนะครับกราบครับ เอวังโคตุเอวังโคตุโยจัปปุเพปปะมัชตะวาปัชชาโซนะปมัชติโซมังโลกังปะพาเสติอาภาโมตโตวันิมายสัพาปังกตังกมังปุสเรนะปหิติโมังโลกังปะาเสติอาภามตโตวัจณิมาอภวาตนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารธมาวัันติอายุวโนสุขังะลัง เชิญเชิญกลับบ้านนะอันนี้หมดแรงแล้วเอาใครจะถ่ายรูปมาเชิญถ่ายจะถ่ายที่ไหนคนเยอนะนักถ่ายข้างหน้า้หรือไงได้ได้ได้